รู้สึกตัวเป็นอย่างเดียวไม่พอละต้องแยกธาตุแยกขันธ์ได้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้นี่บางคนก็ขึ้นสู่วิปัสสนากรรมฐานไปแยกขันธ์ได้นะอย่างน้อยก็แยกสองขันธ์มีจิตเป็นวิญญาณขันธ์จิตเป็นผู้ดูแต่จิตอันนี้ไม่ทําหน้าที่ของวิญญาณ จิตตัวนี้ทําหน้าที่เป็นผู้เจริญสติเจริญปัญญาจิตที่ไปทําหน้าที่วิญญาณนแค่รู้อารมณ์เฉยๆไปเห็นรูปไปได้ยินเสียงไปได้กลิ่นไปได้รสไปรู้สมัมผัสทางกายไปรู้เรื่องราวทางใจในจิตที่จะเดินปัญญาจะต่างกับวิญญาณนะจิตวิญญาณก็เป็นจิตแบบหนึ่งเป็นจิตลักษณะหนึ่งที่ทําหน้าที่รู้เฉยๆ จิตดยที่จะเป็นเดินปัญญานี่ไม่ใช่แค่รู้อยู่เฉยๆมีความตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานมีความเบาความนุ่มนวลอ่อนโยนความคล่องแคล่งวว่องไวความควรแก้กันงานไม่ขี้เกียจซื่อตรงในการรู้อารมณ์นี่คุณสมบัติของจิต ท, ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรียกว่าเป็นมหากรุสุรจิต ประกอบด้วยปัญญาไม่ได้เจตนาให้เกิดในลักษณะี้เป็นอย่างนี้วิญญาณทั้งหลายหรือจิตที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจธรรมดาที่ไปรู้อารมณ์ธรรมดารู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสทางกายรู้ความรู้สึกทางใจเฉยๆรู้ที่แรกยังไม่รู้ว่ารู้อะไรด้วยซ้ำไปมีอะไรใยๆขึ้นมาแค่แค่รู้รู้แบบวิญญาณ แปลว่าความอย่างรู้อารมณ์วิญญาณเป็นตัวอย่างรู้อารมณ์จิตนี้ไม่ได้ทําแค่อย่างรู้มันสวยอารมณ์ด้วยเอาอารมณ์มากินแล้วทําหน้าที่ได้ตั้ง14อย่างหน้าที่ของวิญญาณเนี่ยเป็นลักษณะอันหนึ่งเรามาพัฒนานะจิตไม่ใช่รู้ตัวอยู่เฉยๆจิตดวนี้ต้องมีสติมีสมาธิแล้วก็เดินปัญญา สามารถมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางตรงที่เราฝึกจิตจนเป็นผู้รู้ขึ้นมาเราเห็นรูปนามแสดงใจลักได้แยกขันได้ไม่ต้องแยกทั้งห้าขันเยอะเกินแยกได้สองขันพอละ ต, ตัวหนึ่งคือจิตที่เป็นคนดูอีกตัวหนึ่งเป็นผู้แสดง เอาอะไรเป็นผู้แสดงได้บ้างเอาร่างกายเป็นผู้แสดงเอารูปเป็นผู้แสดงจิตเป็นคนดูเวลาเราเจริญปัญญาโดยเอาร่างกายเป็นผู้แสดงจิตเป็นคนดูเราเดินปัญญาด้วยสิ่งที่เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานทำสติปัฏฐานรู้กายเนืองๆแล้วเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของจิตที่ไปรู้กาย อย่างอื่นก็เป็นผู้แสดงได้อีกนะขันอย่างอื่นคือเวทนาขันมีจิตเป็นผู้ดูมีเวทนาเป็นผู้แสดงนะเรียกว่าเวทนานุปัสนาสติปฐานจะเห็นเวทนาตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตที่เป็นคนไปรู้เวทนาก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันจิตจะต้องตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ถ้าจิตเที่ยงใช้ไม่ได้นะยังตัวผู้รู้ปลอมเนี่ยจิตจะเที่ยงตัวนี้ใช้ไม่ได้ แล้วจิตต้องเกิดดับได้ด้วยมันจะเห็นทั้งผู้รู้ทั้งสิ่งที่ถูกรู้ทั้งจิตทั้งอารมณ์เนี่ยตกอยู่ใต้ไตรรักด้วยกันทั้งคู่ไม่ใช่สงวนรักษาจิตเอาไว้ไม่ให้เป็นไตรลักให้นิ่งๆอยู่คงที่แล้วก็เห็นอารมณ์มีร่างกายเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นอารมณ์หรือเราจะใช้สังขารเป็นอารมณ์ก็ได้คือความปรุงดีปรุงชั่ว ถ้าเราใช้ความปรุงดีปรุงชั่วเป็นอารมณ์มีจิตเป็นคนดูนะเรียกว่าเราจเจริญจิตต า, า, านุปัสสนาสติปัฏฐานจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะราคะอยู่ในสังขารขันนะจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะโทสะอยู่ในสังขารขัน จิตมีโมหะรู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะรู้ว่าไม่มีโมหะโมหะก็เป็นสังขละขันธ์จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหูก็รู้ความฟุ้งซ่านก็ดีความหดหูก็ดีก็อยู่ในสังขละขันธ์เป็นความปรุงของจิตปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างเนี่ยที่ท่านแยกแยกมาให้ดูนะจิตมีราคะเป็นจิตกุศลหรืออกุศลอกุศลจิตไม่มีราคะเป็นไร กุศลหรือกุศลเป็นได้ทุกอย่างจิตไม่มีราคาอาจจะเป็นจิตมีโทสะก็ไดไ้เป็นจิตหลงเฉยๆยังไม่มีโทสะไม่มีราคาก็ได้เป็นจิตที่เป็นกุศลก็ได้มีสติรู้ตื่นเบิกบานเป็นจิตที่เป็นวิบากจิตที่ไปเห็นรูปไปได้ยินเสียงพวกเนี้ไม่มีราคะไม่มีกิเลสงั้นตรงที่ว่าจิตมีราคา ก็รู้จิตไม่มีราคาก็รู้ราคาเราเกิดบ่อยแล้วว่าราคามาันดูส่วนตัวที่เหลือคือจิตทั้งหลายที่เหลือนะที่เรามีมันจิตไม่ใช่มีราคะจิตมีโทสะกุศลและอกุศ ล, ลจิตไม่มีโทสะกุศลและอกุศลไม่แน่อาจจะเป็นจิตมีราคาก็าได้ถ้าจิตมีราคาจะไม่เกิดร่วมกับจิตที่มีโทสะ ต้องแยกกันแต่จิตที่มีราคะเกิดร่วมกับอะไรได้เกิดร่วมกับจิตที่มีโมหะจิตที่มีโทสะก็เกิดร่วมกับจิตที่มีโมหะโมหะนี่ยเป็นหัวโจยืนพื้นเลยเวลามีความชั่วที่ไรต้องมีโมหะทุกทีเหมือนเวลามีความดีที่ไรต้องมีสติทุกทีไม่มีนี่เราค่อยๆรู้ค่อยๆเรียนค่อยๆดูของเราไปนะ จิตเป็นคนดูเราเห็นสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายเขาทํางานก็จะเห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตที่เป็นผู้รู้สังขารก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้ใช้ได้ถ้าเห็นอารมณ์แปลปรวนไปเรื่อยๆจิตเป็นคนดูช่ยตลอดเวลาใช้ไม่ได้ยังใช้ไม่ได้อย่างสงวนรักษาตัวหนึ่งให้นิ่งอยู่เนี่ยพวกเราหัดรู้หัดดูไปนะ สังเกตไว้พราะท่านมีพูดเรื่องกายคือตัวรูปพวดเวทนาทุกัาสนาคือตัวเวทนาจิตตานุกัาสนาเป็นตัวสังขารไม่มีตัวสัญญาไม่ได้พูดถึงตัวสัญญาซึ่งเป็นขันธ์อีกขันธ์หนึ่งสัญญานี้เป็นตัวพิเศษเรียนรู้ยากปกติหลวงพ่อไม่ได้สอนตรง พาพวกเราเอาสัญญามาเจริญสติเจริญปัญญาทายากเพราะพวกเรามีสัญญาวิปลาสคือบ้าอยู่แล้วมีวิปลาสอยู่แล้วพวกเราวิปลาสยังไงเราเห็นของไม่สวยไม่งามว่าสวยว้างามเช้าๆช้าส่องกระจกรู้สึกไหมเห็นของสวยของงามอสวยจังเลยพอแก่มากหนังตา ยน่นไปทั้งหน้าแนละ้วพยายามดูตาก็มัวมัวตรงไหนยังสวยอยู่โอ้มีปลายจมูกยังสวยอยู่หรือว่าขนคิ้วยังไม่ดไม่งอกอนะไรเงเราไปเห็นของไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างามแท้จริงร่างกายของเรานี่เป็นหนังมีหนังหุ้มอยู่นะมีรูรั่ว มีของโสโครกอยู่ข้างในแล้วก็ไหลรั่วออกมาเป็นนิดรั่วออกมาตลอดเวลาร่างกายนี้เหมือนถุงใบหนึ่งทํำด้วยหนังเรียถุงหนังใบหนึ่งมีรูรั่วใหญ่ๆเก้ารูไปนับเอาเองนะรูรั่วใหญ่ๆเก้ารูรูรั่วเล็กๆนับไม่ท่วนมีของโสโครกไหลชุ่มออกมาเป็นนิดนยในลักษณะนี้เราไม่ยอมดู เราก็พยายามหาอะไรมากลบเกลือดมันมันเหม็นนะก็ไปอาบน้ำไปใส่น้ําหอมไปทาแป้งอะไรมันดูร่วงรวยไปเขียนคิ้วเขียนตาแต่งนอนแต่งนี่ทาสีพวกสัตว์มันสวยนะมันทาสวยโดยไม่ต้องทาสีหลายชนิดเลยนะตุ๊กแกเนี่ยสวยกว่าพวกเรานะเคยเห็นทุกมันใกล้ๆไหมตัวมันสวยนะ บาตัว้นสีเทาตัวออกสีฟ้ามีจุดแดงจุดเขียวสวยผู้หญิงได้ชอบเลนแบบแต่งตรงนั้นสีนี้กลัวตุ๊กแกนะแต่ว่าอยากเหมือนตุ๊กแกมีลวดลายหลวงพ่อเคยเห็นประเทศนักเคยเห็นนั่งรถไปไปแวะต่างทางอะไรนี่เห็นผู้หญิงเข้าทาเล็บไม่เหมือนกันสักนิ้วหนึ่งอ่ะโอ้นะ คายตู้กแก่เข้าไปทุกทีแล้วมีหลายสีเนี่ยเราพยายามกลบเกลือนของไม่สวยไม่งามไม่สะอาดพยาามปิดบังแต่ปิดยังไงก็ปิดไม่อยู่นะถ้าเราคอยสังเกตดูหน้าเราแต่งมาดีๆนะเดียเด๋ยวเดี๋ยวก็มันนะใครเป็นพวกหน้ามันบ้างเห็นไหมเวลาเหงื่อออกนะหน้ามันเหมือนข้าวมันไก่ เ <laughs> นี่นสิ่งที่ไหลออกมาจากร่างกายนะมันฟ้องว่านจริงสสโครกไม่สวยไม่งามเราพยายามให้ดูดีไว้กลบเกลือนไว้ตัวเหม็นก็ใส่น้ำหอมใส่อย่างโน้นใส่อย่างนี้ตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าอาบน้ำแต่งผมแต่งเล็บแต่งมือแต่งหน้าแต่งแต่งไปทั้งตัวแต่งปาก เนี่ยพยายามปลบเกลืกล่อนของไม่สวยไม่งามของไม่สะอาดเป็นวิประลาสอย่างหนึ่งนะสัญญาวิประลาสเห็นของที่เป็นอสุภะว่าเป็นสุภะเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงอย่างพวกเรารู้สึกไหมเราเห็นคนน้นตายคนนี้ตายแต่เราจะไม่รู้สึกว่าเราจะตายเราจะไม่รู้สึกว่าเราจะตายเนี่ยใจเราจะรู้สึกเงนี้พระพุทธเจ้าเคยถาม ภิกทั้งหลายพวกเธอคิดถึงความตายบาละกี่ครั้งบางคก็หนึ่งครั้งสองครั้งสิบครั้งถ้านอนได้ร้อยครั้งพระเจ้าบอกประมาทเราตถาคตนะเห็นความตายอยู่ทุกขณะจิตแต่คำว่าตายของท่านไม่ใช่นอนตายท่านเห็นความเกิดดับเกิดดับอยู่ทุกขณะท่านไม่ประมาทนคนทั่วไปก็มีสัญญาวิปรารถนะ เห็นของไม่เท like ี่ยงว่าเที่ยงเราไม่รู้สึกว่าเราจะรีบตายเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขหรืออย่างเก่งที่สุดก็ทุกข์บ้างสุขบ้างพระอรหันต์จะรู้สึกเลยร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยจิตเป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยแต่พวกเราจะเห็นอย่างเก่งที่สุดเลยนะร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตใจเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราเห็นได้แค่เนี้ย เราเราก็วิประลาสเยอเราเห็นของไม่ใช่ตัวใช่ตนนะว่าเป็นตัวเป็นตนอย่างร่างกายเนี่ยมันเป็นวัตถุเป็นธาตุที่เรายืมโลกมาใช้ไม่นานบางคนก็ไม่กี่ปีบางคนก็มากหน่อยร้อยปีหรือร้อยนิดๆต้องคืนเจ้าของนี่ของไม่ใช่ตัวใช่ตนเรารู้สึกตัวเราของเรา ทรัพสมบัติทั้งหลายเราคิดว่าเป็นของเราเรายืมโลกมาใช้นะจระทั้งบ้านเมื่อก่อนบางคนนะก็ อ, อยากมีบ้านของตัวเองไปซื้อบ้านผ่อนส่งนะโอนอดอยากๆผ่อนบ้านไปค่าผ่อนบ้านแพงกว่าค่าเช่าก็ยอมหวังว่ามีบ้านของตัวเองพอผ่อนบ้านเสร็จแนละ้วสิบปียี่สิบปีเลยถัดจากนั้นก็คือจ่ายค่าซ่อมบ้านอีกเยอะแยะเลย ซ่อมมันทุกเดือนเลยเดี๋ยวตรงโน้นพังเดี๋ยวตรงนี้พังซ่อมไปเรื่อยไม่ต่างกับจ่ายค่าเช่าบ้านนะตลอดชีวิตเลยสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่บ้านนี้บ้านนี้คนอื่นก็มาอยู่พวกเราใครอยู่บ้านของพ่อของแม่บัง้งมีไหมแล้วพ่อแม่ตายไปแล้วมีไหมพ่อแม่เคยเป็นเจ้าของตอนนี้เสียกรรมสิทธิ์ให้เราแนละ้วนาะเรารู้สึกเป็นบ้านของเรานะแต่จริงจริงมันเหมือนบ้านเช่า เรายืมเขาอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองถึงวันหนึ่งเจ้าของเขาเ้ า, าคืนเราอยู่ไม่ได้ที่แผ่นดินไหวไฟไหม้หรือบ้านพังไปหรือเราเองพังไปก่อนบ้านอยู่ไม่ได้ไม่ได้ต่างกับเช่าบ้านอยู่เป็นแต่ว่าไม่ค่อยมีใครมาไล่ลเรายกเว้นเขาจะเวนคืนรถไฟฟ้าจะมาอะไรอย่างเงี้ยจะเบนคื น, นถนนจะมา ที่จริงแล้วมันของที่เราอาศัยอยู่ชั่วคราวนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยใจของเราวิปลาสมีสัญญาที่วิปลาสเวื่อามาฝึกใหม่มาฝึกพัฒนาพาจิตมันดูความจริงไป เ, เวลาที่เรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางก่อนที่มันจะรู้ด้วยปัญญานี่มันอาศัยสัญญาเข้าไปหมายรู้ อย่างเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเห็นร่างกายมันทำงานบางคนบอกปฏิบัติธทมทำวิปัสนาเห็นท้องพองเห็นท้องยุบทั้งวันบอกนี่วิปัสนายังไม่ได้เป็นวิปัสนาเห็นท้องพองเห็นท้องยุบยังไม่ได้เห็นไตรลักษณ์นี่ทำไงจะเห็นไตรลักษณ์ถ้าปัญญามันยังไม่เกิดมันยังไม่เห็นไตรลักษณ์เพราะปัญญาเป็นตัวเห็นไตรลักษณ์ก่อนที่ปัญญาจะเกิดเนี่ยอาศัยสัญญา อาศัยสัญญาเข้าไปดูท้องที่พองท้องที่ยุบเนี่ยเราเข้าไปดูมันแต่ดูในมุมของความเป็นไตรลักษณ์เช่นเรามีความรู้สึกทำความรู้สึกขึ้นในใจนะเห็นท้องพองเห็นท้องยุบใจเป็นคนดูมีความรู้สึกขึ้นมาว่าท้องนี้มันไม่ใช่เรานะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าแต่มันไม่ใช่กระบวนการคิดมันเป็นการที่หมายรู้เนี่ยมันพูดยากนะตัวสัญญานะอาธิบายยากมากเลย คือแทนที่จะไปหมายรู้รูปนามทั้งหลายว่าเป็นของสวยของงามของเที่ยงของสุขของที่เป็นตัวเราบังคับได้มันปรับมุมมองของจิตมันเป็นการปรับมุมมองของจิตนะมองในมุมของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตรงที <im <im <im <im <im ่ไปปรับมุมมองของจิตเนี่ยมองด้วยสัญญานีคือเข้าไปหมายรู้ด้วยความไม่เที่ยงเข้าไปหมายรู้โดยความ เป็นทุกข์เข้าไปหมายรู้ด้วยความเป็นอนัตตาไม่ใช่หมายรู้ด้วยความเที่ยงด้วยความสุขด้วยความเป็นอัตตาเนี่ยตรงนี้บางคนจิตมันไม่ยอมหมายรู้ตัวแล้วอยู่เฉยแยกขันแล้วก็ยังอยู่เฉยอีกเห็นขันแล้วก็จ้องซื่อบื้ออย่างเนงะี้ยเช่นเห็นท้องพองเห็นท้องยุบใจเป็นคนดูนิง่งอยู่เงี้ยนิ่งนิงน่งใจก็นิง่งค่อย่ยดูนะค่อยคดู แล้ามันมีความรู้สึกมองมันในมุมของความเป็นไตรลักษณ์แต่ถ้ามันรู้ตัวอยู่เฉยๆแล้วไม่ยอมมองให้คิดพิจารณานานำเข้าไปเลยนะอย่า ก, กลัวการคิดนะอย่า ก, กลัวการคิดถ้าจิตมันรู้ความเป็นไตรลักษณ์ได้อย่าคิดให้รู้เอาแต่ถ้ามันรู้ตัวอยู่เฉยคิดพิจารณ า, ากระตุ้นให้จิตหัดมอง ถ้าจิตมันมองเป็นนะมันจะไปหมายรู้รูปนามตอนนี้เป็นสัญญาแล้วเข้าไปหมายเข้าไปหมายวนะ่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวลาฝึกหมายนะฝึกอันเดียวก็พอแต่เบื้องต้นอาจจะพิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะแต่เสร็จแล้วจิตมันจะมาลงล่องอันเดียวบางคนก็ถนัดพอพิจารณาความไม่เที่ยงนะจิตสงบรู้ตื่นเบือกบานเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเห็นรูปนามแสดงความไม่เที่ยง ดูได้อย่างสบายใจอันนี้ใช้ได้เราก็ดูไม่เที่ยงอย่างเดียวต่อไปไม่ต้องไปดูสามอย่างหรือบางคนดูอันนี้จังทุกข์ขังอนัตตาไปดูรูปนามแสดงอันนี้ตังทุกข์ขังอนัตตาคิดพิจารณาบ้างอะไรบ้างพอจิตมันดูได้เองมันอาจจะดูตัวทุกข์กันเดียวร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเป็นภาระนะความรู้สึกทั้งหลายก็เป็นภาระจิตใจที่ไปรู้อารมณ์ก็เป็นภาระทุกครั้งที่รู้อารมณ์มีภาระทั้งสิ้นใครดูตัวนี้ออกบ้าง ทุกคราวที่จิตรู้ว่ารบนะมีภาระขึ้นมาเป็นภาระของจิตเวลามีความสุขเกิดขึ้นก็มีภาระของจิตมีความทุกข์ขึ้นมาก็มีภาระของจิตพวกเราจะเห็นง่ายตรงที่ว่าเวลามีความทุกข์ก็มีภาระรู้สึกไม้มภาระต้องต่อสู้แก้ไขเราไม่เห็นว่าความสุขก็เป็นสิ่งแปลกปลอมสร้างภาระให้จิตเหมือนกันใครเห็นตัวนี้ได้บ้างยกมือให้ดูหน่อยสิมีไหมยกยกสู ง, สง มันก็ยึกก็ยืกอย่างนี้ใจกล้ากล้าหน่อยเรียนกรรมฐานนะเปิดเผยองอาจกล้าหาญไม่ใช่ขี้ขลาดขี้กลัวหยอกหยอกแยแยนะรู้อรู้สึกอย่างนี้แหะแล้หลวงพ่อก็บอกเองว่าไม่ใช่หรอกเห็นไหมตัวอะไรเป็นหัวเลาะเนี่ยดูไปดูสบายๆพอใจเราตั้งมั่นนะเห็นไอ้ตัวนี้หัวเลาะนะ มันไปหมายรู้ว่าเอ๊ะตัวนี้มันไม่ใช่เรานะตัวนี้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันไม่ใช่คิดนะแต่มันเป็นความรู้สึกรู้สึกอย่างนั้นถ้าคิดอยู่เป็นวิตกอยู่ในกองสังขารถ้าจิตเข้าไปหมายด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเป็นสัญญาสัญญาเป็นสิ่งจำเป็นมากถ้าปราศจากสัญญาจะทำวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้ เพราะเราจะมีสติไปรู้รูปนามมีจิตตั้งมั่นเป็นคนรู้แต่ไม่มีการหมายรู้ในความเป็นไตรลักษณนะ์อาศัยสัญญาไม่หมายรู้เนะี่ยสสัญญานะสติระลึกรู้รูปนามสัญญาหมายรู้ความเป็นไสรลักษณ์ของรูปนามจิตตั้งมั่นเป็นผู้ดูถึงจุดที่มันทำงานอัตโนมัติแล้วเนี่ยสะสมไปเรื่อยนะปัญญามันเกิดเพราะนถ้าไม่มีสัญญาเนี่ยทำวิปัสสนาไม่ได้ แต่สัญญาที่คนทั้งหลายมีเป็นสัญญาวิปลาสงั้นเรามาพัฒนาสัญญาที่ดีนะไม่วิปลาสคือหัดหมายรู้แทนที่จะเห็นผู้หญิงเดินมาก็หูสวยจังเลยนี่หมายรู้ของอาสุภะหมายรู้ว่าสุภะผู้หญิงนั้นสวยดูเนี้ไปทั้งตัวเลยหลวงพ่อไม่เคยรู้สึกอย่างนั้นมานานแล้วนะเห็นนั น, นะอย่ามาถูกเราเลยนะทั้งผู้หญิงผู้ชายหรา ไม่ค่อยอยากถูกหรอกนะโศคลกนะรู้สึกอย่างนั้นนะของสกับปรกเรื่งนั้นเลยเวลาเราไปเช็คแขนกับคนอะ่ะต้องล้างมือไม่ก่อนกินข้าวต้องล้างนะโศคลกนะออแต่ใจของเรามันหมายรู้ผิดสวยผู้หญิงคนนี้สวยแทนที่ปัญญาจะเกิดนะราคะเกิดขึ้นแทนเห็นไหมสัญญาไปหมายรู้ผิดเถอะนะราคะก็เกิด เห็นอะไรไม่สวยไม่งามมานะผ่านมาโทสะก็เกิดเพราะไปหมายรู้หมายรู้ว่าอันนี้ไม่ดีหมายรู้แบบไม่ยอมรับความจริงนะว่าสิ่งนี้มีเหตุก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับของมันมันมาแล้วมันไปใจก็จะมีโทสะขึ้นมาเนี่ยค่อยๆฝึกนะค่อยๆหัดดูแต่ถ้าสัญญามันไปหมายรู้ถูกแล้วปัญญามันจะค่อยๆเกิดขึ้น งั้นไม่ได้ห้ามความคิดไม่ได้ห้ามความคิดไม่ใช่รู้สึกตัวอยู่เฉยๆบางคนที่สอนดูจิตดูจิตกันนะบางคนสอนกันนะให้รู้ตัวอยู่เฉยๆรู้ตัวอยู่เฉยๆความคิดเกิดปัดทิ้งรู้อยู่เฉยๆนั่นไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดปัญญาอะไรทั้งสิ้นเลยต่อไปถ้าเราเห็นอะไรเกิดขึ้นในกายในใจนะเรารู้สึกลงไป เรารู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นจะแปลได้หรือไม่ได้ไม่สําคัญเช่นเราเห็นความไหวขึ้นกลางหน้าอกไหวๆขึ้นมาไม่รู้ว่าคืออะไรไม่ต้องรู้ไม่จําเป็นแต่เรารู้อย่างหนึ่งว่าที่ไหวๆขึ้นมาเนี่ยมันบีบคั้นจิตจะสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วบีบคั้นทั้งสิ้นเลยรู้สึกไหมเวลาที่ไหวขึ้งกลางอกเนี่ยถ้าไหวๆสิ่งจุดหนึ่งก็ฝุดออกมาเป็นความสุขใช่ไหม ไไว้วพูดออกมาเป็นความทุกข์ไห ว, วแล้วพูดเป็นความดีเป็นความชั่วแค่เริ่มไหวก็ทุกข์แล้วแค่เริ่มไหวก็เป็นภาระแล้วนี่เราดูหมายรู้ลงไปในรูปธรรมในนามธรรม ท, ทั้งหลายเรื่องความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเบื้องต้นเราจะสารวจพามันดูอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาแต่พอมันพอนาเป็นแล้วนะมันดูของมันเอง แล้วมันจะไปดูอันเดียวความประหลาดก็มีอีกนะอย่างบางคนดูว่ามันบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้นะเวลาตัดเนี่ยมันพลิกไปอีกอันหนึ่งอย่างนี้ก็มีเราเลือกไม่ได้จิตจะเลือกของจิตเองในนาทีที่จะตัดกิเลสจะล้างกิเลสอย่างบางคนก็ดูเกิดดับเกิดดับเกิดดับนะเวลาที่โซดาปฏิมาค่เกิดนะกลับไปเห็นว่าทุกอย่างไม่ใช่ตัวเรา อย่างนี้ก็มนะีหรือบางทีมีร่างกายอยู่นี่นะดูกายดูใจดูกายดูใจไปด้วยนะถึงเวลาที่อริยามรรคจะเกิดจิตรวมเข้าอปปนาในระดับอรูปฌานเลยร่างกายหายไปโลกธาตุดับไปเลยทั้งๆที่ไม่ได้ฝึกเข้าอารูปฌานมาก่อนนะจิมเข้าเองเลยพอจิตเข้ า, ารูปฌานะมันก็ไปเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์เห็นนั่นเดียว ไม่เห็นอนนี้จังทุกขังอนัตตาเห็นเนั่นเดียวล้างก็ล้างอันเดียวอย่างพวกที่เดินตัญญาแก่กล้าเนี่ยเวลาตัดเนี่ยจะเห็นอนัตตานี่พอมันรวมเข้าไปตัดทีแรกเนี่ยมันเกิดรวมลึกเลย<ม>ชาติก่อนๆเคยฝึกอรูปฌานมาอารูปฌานกลับมานะงั้นมาตัดศีลตัดกิเลสเนี่ยในอรูปฌานพวกนี้เป็นอุปโภคภิมุติ อุปโตภาวิมุตตเนี่ยเป็นภาริญยบุคคลชนิดที่สามารถละได้ทั้งรูปธรมรมและนามธรรมละรูปธรรมด้วยอรูปฌานละนามธรรมด้วยวิปัสสนากรรมฐานแต่นะบางคนก็ไปตัดในรูปฌานนะนี่พอของเก่ากลับมาตอนบรรลุพระโสดาบั น, นอรูปฌานกลับมานะตอนต้โสดาเนเห็นอนัตตานะ แต่ตอนแตกหักขั้นสุดท้ายกนะลับไปเห็นทุกขังเพราะอะไรเพราะสมาธิมันกลับมาซะแล้วจิต ท, ที่ทรงฌานจะผ่านตัวนี้ได้ด้วยการเห็นทุกขังเนะนี่ลีลาของจิตนะลีลาการของจิตนะอัศจรรย์นะพราะเราไม่ต้องคิดมากเลยเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางไป ถ้ามันรู้กายรู้ใจอยู่เฉยๆไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เห็นความจริงคิดพิจารณาได้นะแต่ถ้ามันเห็นแล้วอย่าคิดตรงที่สัญญามันไปทํางานชํานาญแล้วมันเห็นเองมันจะไปหมายรู้เองว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาอย่ากลัวปัญญาไม่เกิดให้ดูสภาวะเกิดดับไปปัญญาไม่เกิดตลอดเวลานานๆเกิดทีบางทีเดือนหนึ่งสมเดือนเกิดทีหนึ่งนะที่ปัญญาแบบคมขมลึกซึ้ง เกิดความรู้ความเข้าใจที่สําคัญสําคัญขึ้นมาไม่ได้เกิดทุกวันไม่ได้เกิดทุกขณะจิตที่มีสติงั้นจิตที่เราเดินมีปัศนากรรมฐานที่เรามีจิตที่เป็นผู้รู้นะตอนที่เราเดินปัญญาอยู่เนี้ยจิตเดียงพลิกไปพลิกมาระหว่างจิตที่มีปัญญากับจิตที่ไม่มีปัญญามันเป็นมหากรุศุรจิตญาณสัมพยุทธ์คือประกอบด้วยปัญญาบ้างเป็นมหากรุสุรจิตญาณวิปยุทธ์ไม่ประกอบด้วยปัญญาบ้าง แต่เป็นกุศลนะแล้วตอนที่สัญญายังไม่ทำงานยังไม่ไปหมายเนี่ยเราจงใจหมายอันนี้เรียกว่าจงใจให้เกิดนะเขาเรียกว่าสังขาริกังจงใจให้เกิดงั้นจะเป็นจิตที่เป็นมหากุศลและจิตยานสัมปยุทธหรือยานวิปยุทธนะสังขาริกังจงใจจงใจไปหมายแต่ถ้ามันชำนาญมันหมายเอง เรียกว่าอาสังคาลิกังไม่ได้จงใจหมายนะมันมันมีปัญญาขึ้นมาเองก็ เ, เป็นมหากุศสลจิตยานสัมปยุทธ์นะอาสังคาลิกังจิตที่เป็นคุศลทั้งหลายนะในบรรดากามอาวจรนะยังมีจิตที่เป็นกุศลในรูปประภูมิในรูปประภูมิในรูปประพรหมใรูปประพรหมนะจิตที่เป็นมหากุศลอย่างพวกเราเนี้ยดวงที่วิเศษที่สุดนะคือจิตที่เป็นมหากุศสลจิต ประกอบด้วยปัญญาเกิดโดยไม่ได้ชวนให้เกิดมีกำลังแรงกล้าที่สุดเลยตัวเนี้นะแล้วเวลาที่จะเกิดมรรคผลนะมันจะหลุดจากตรงนี้นะจะไปเป็นโลกุตละจิตเป็นจิตอีกชนิดหนึ่งนะเฮ้ยสนุกนะถ้าเรียนเรื่องจิต ถ, ถ้าเรียนอย่างปริยาตกระปวดหัวมากเลยเพราะจิตมันวิจิตมากมายเรียนไม่รู้จักหมดอนะนะจิตมีตั้งแปดสิบเก้าดวงเนะีนะ แยกแยะละเอียดไปต้ง100องร้อยกว่าดวงนะืสักดวงหนึ่งยังไม่เคยเห็นเลยก็แยนะ่แล้วเพราะเราหัดรู้หัดดูของเรานะสนุกสนุกความรู้ที่พระพุทธเจ้าถ่ายทอดไว้ให้เราเราเดินตามนะของไม่เคยเห็นได้เห็นไม่เคยรู้ได้รู้ไม่เคยเข้าใจได้เข้าใจไม่เคยวางได้วางขั้นสุดท้ายนะไม่เคยวางได้วางอันนี้ขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติ ไม่เคยหวางได้หวง่งถัดจากนั้นนะไม่เคยสัมผัสได้สัมผัสนี่สุดยอดเลยสัมผัสอะไรสัมผัสปณิพานนะ์เข้าไปสัมผัสเข้าไปไปประจักษ์ไม่ใช่แค่ไปเห็นเฉยๆนะมัมีคำคาหนึ่งซึ่งมันแรงกว่าคว่าเห็นนะคือคเข้าไปประจักษ์เข้าไปสัมผัสไปรู้อย่างแท้จริงเลยนะค่อยฝึกนะฝึกรู้ฝึกดูไปสนุกสนุกนะ ใครฟังแล้วคือเขิมที่จะฝึกบ้างยกมือซิใครฟังแล้วทอ้อแท้มีไหมยกมือหน่อยโอ้ไม่ทอ้อแท้อย่างนี้ใช้ได้นะ ท, ท้อแท้จะทอ้อแท้ทําไมถึงยากนะอดทนภาคเพียนเรียนไปไมันก็ง่ายเข้าสักวันหนึงอนะ่ะถ้าเริ่มตนน้นแลทอ้อแท้ซะแล้วนาะยไม่ผ่านหรอกวันเนี้ธรรมะที่หลวงพ่อถ่ายทอดให้ฟังนะถ่ายทอดให้ฟังเพื่อความพึกเขิมนะไม่ใช่เพื่อความทอ้อแท้น ไปเอาใจที่หื่อเขื่มแล้วไปกินข้าวออกไปคงกินอย่างอร่อยอร่อยนะมันหื้เขือเข่อมหรืออย่างนั้นไม่ใช่นะอย่างนั้นหลงโลกนิมนต์เลยครับนิมนต์